เอในวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสิบเข้าพรรษาสามเดือนของพวกเราก็ผ่านมาแล้วสองเดือนกับเจ็ดวันสองเดือนกับหนึ่งวันพระก็ยังเหลืออีกสามสามวันพระก็เป็นวันออกพรรษาถ้าจะว่าไปไม่นานนะถ้าจะว่าไปแล้วไม่นาน แต่ถ้าว่าผู้ใดมีทุกข์ในใจผู้นั้นจะนานถ้าว่าผู้ใดมีความสุขในใจการเป็นอยู่ด้วยความสุขราตรีเนี่ยผ่านเร็วมากวันคืนเดือนปีผ่านเร็วมากแต่ถ้าว่าใครมีความทุกข์ในใจคืนหนึ่งกว่าที่จะนอนข้ามคืนไปได้ราตรีหนึ่งยาวนานในหลักของ พ, พุทธศาสนาผู้ใดอ่านในพระไตรปิฎก จะได้อ่านเสมอว่าผู้ใดมีความทุกข์ในใจผู้นั้นจะรู้ว่าราตีหนึ่งยาวนานถ้าผู้ใดเดินทางจนเมื่อยล้าแล้วจะรู้สึกว่ายอดหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัติการเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารของสัรพะจัตถ์ทั้งหลายยาวนานกว่านั้น ราตีหนึ่งเราจะมีกําหนดได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยก็มันก็จะสว่างโยต์หนึ่งเราเดินไปทีละเก้าละเก้ามันก็จะถึงโยต์หนึ่งได้แต่สังสารวัตรที่พวกเราเวียนไหวตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนมดไตขอบกระดองอย่างงั้นอ่ะเหมือนมดไตขอบกระมังอย่างงั้นอ่ะเดินอยู่ทั้ง วันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุลไยเพราะมันเดินอยู่ในขอบกระมัง <c oughs> อยู่ในขอบโอ่งเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเลยวิญญาณหรือใจของพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลักษณะอย่างนั้นนะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราได้พบได้เจอพระพุทธศาสนาถ้าจะให้มันสิ้นสุดก็ต้องเดินออกเส้นทางอย่าไปวนเหมืนั้นแหะ ออกจากเส้นทางแล้วเดินมัศแล้วก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้นั่นแหะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ถึงแดนแห่งความเกษมจะไม่วกคนเวียนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระแปดค่าแรมแปดค่าเดือนสิบเป็นวันรักษาบุบสถศีลของพวกเราประจําทุกวันพระเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านญาติโยมทุกคนนะตั้งอกตั้งใจอย่าให้ขาดตกบกพร่อง ที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แล้วว่าข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าสินอุโบสถศินแปดตลอดไตรมาสสามเดือนถ้าหาว่ามันขาดตกบกพร่องเราก็รักษาเพิ่มเขาอีกก็ยังได้นะแล้ไม่ผิดกติกาเพราะเหตุไรพอเราขาดไปเนี่ยเราก็ต้องรักษาเพิ่มขึ้นอีกสักวันหนึ่งเราเอาทั้งแปดวันแปดคำ่คำสิบห้าค่าเขาอีกก็ยังได้นะถ้าเราขาด เพราะนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วสิ่งอื่นที่มันขาดตกบกพ้องก็เคยขาดมาแล้วบางทีขาดสิ่งเหล่านั้นยังนึกโมหโหโธโสให้เขาแต่พอขาดการประพฤติปฏิบัติทำขาดการสั่งสมคุณงามความดีหัวเราะทั้งวันจะได้เลยแปลว่ากิเลสชนะเรานะกิเลสชนะเราเราถ้าเป็นอย่างน้นเพราะนั้นเราจะให้กิเลสชนะถึงเราจะมีธุระการงาน มันขาดไปเราก็ต้องเบิกคอยหลังอีกว่างั้นเถอะอย่าให้ขาดตกบกพร่องนั่เป็นว่าทำชนะกิเลสนะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภูคะสัมปธ า, าสีเลนานิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเกิดเบื้องต้นเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบตรงกับวันที่สี่เดือนตุลาห้าศูนย์ เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลของพวกเราที่ผ่านมาสองสามวันหลวงพ่อไม่ได้ฉันจังหันที่วัดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามนะวันที่หนึ่งไปประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์องค์หลวงตาจี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะวันที่สองก็มายกช่อฟ้าที่วัดมัณฑนาขามสังกะรีอำเภอสังคม ฉันจะขันที่นั่นอีกเมื่อวานหนึ่งกับไปฉันอยู่ที่อำเภอนาสมบบ้านอดีผู้กากับที่เคยมาอยู่ที่อำเภอนายูงของเราตั้งแต่ริเริ่มสร้างอำเภอนายูงเป็นตำรวจค น, คนแรกเจ้านายคนแรกของตำรวจที่มาอยู่ที่อำเภอนายูงเมื่อวานกับไปฉันก็เป็นอันว่าหลวงพ่อไปฉันข้างนอกที่ติดต่อกันทั้งสามวัน พวกลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในวัดก็คงอย่อกหลวงพ่อไปแล้วก็เบาหัวพอหลวงพ่อมาแล้ก็จมเช้าจมเย็นยิ่งใวันนี้หลวงพ่อเลยมาจมต่ออีกเหมือนกันมาแนะนำ<อ>ความคิดความเห็นของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะ<อ>ก็ไม่รู้จะได้สานึกสำเรยก เป็นแนวความคิดได้อย่างไรอันนี้หลวงพ่อต้องได้หาประสบการณ์หรือว่าแนวความคิดที่ได้พบได้เจอมามาป้อนหรือมาบอกมากล่าวให้พวกเราได้เป็นแนวความคิดอย่างหลวงพ่อไปในสามงานแต่หลวงพ่อจะไม่พูดเดี๋ยวมีโอกาสจะพูดให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงในการประชมเรื่องเจดีย แ่อย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อจะยังไม่พูดถ้าหลวงพ่อพูดในขณะนี้ก็คงจะคงจะไม่ได้ฉันอาหารคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนั้นอ่ะเวลาคงไม่พอแต่หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับไปเจอกับโยมฝรั่งโยมฝรั่งที่มาทอดที่มายกช่อฟ้ามั่นสังกรีนาขามมีโยมฝรั่งคนเดียวที่มาในงาน มากับคณะจากจากโยงกรุงเทพแล้วก็เป็นเป็นโยมผู้ชายเป็นชาวอะไรสวีเดนหรือเดนมาร์กของพ่อ ก, ก็จำไม่ชัดแต่เป็นนี่แหละแถว e อนี่แหละแถวแตะวะแถวยุโรปเป็นงั้นเะแต่มาอยู่บกวนเวียนในถิ่นนี้แหละมาเรียอินโดสิงคโปร์ไทยแลนด์มาเนี่ยน ะ, ะแต่เด็เขาก็มาร่วม ยกซอฟ้าหลวงพ่อก็ไม่รู้จากนั้นหลวงพ่อก็เลยพอยกซอฟ้าเสร็จหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ยกซอฟ้าจากนั้นหลวงพ่อก็เลยมานั่งในประจําที่ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อก็แนะนําธรรมะการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน หลวงพ่อก็ตักเตือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเนอะวันนี้เดีมาสร้างบุญสร้างกุศลอที่มายกโซฟามาทําบุญทําทานอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับติดใจของพวกเราไปสู่ภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญนะแต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ยืนอยู่ในท่ามกลางภูเขา มือมาอยู่ในทิศทั้งสี่ไม่รู้ว่าแต่ภูเขานั้นต้องบทขยี้เราแน่นอนไม่วันใดขัน้นก็วันหนึ่งแต่แต่พวกเราอยู่ในหุบเขาไม่สามารถที่จะหลีกลี่ไปที่ไหนได้เหมือนกับชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วความแก่เจ็บตายต้องมาถึงเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเหมือนกับพวกเรายืนอยู่ในกลางหุบเขาไม่รู้ว่าภูเขาลูกไหนมันจะ กลิ่นถล่มทัพเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ เ, เมื่อภูเขากลิ่มาทับเราเราก็จะได้ไปสู่สุขติพอาตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อก็พูดลักษณะนี้แหละจากนั้นหลวงพ่อก็บอกว่านะ่พวกเราการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อไปณนะัสถานที่ใดถิ่นใด หลวงพ่อก็ได้ยินยกประเด็นหรือว่ายกชูประเด็นของในหลวงของเราที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปที่ไหนไหนสว่วนราชการที่ไหนพอไปชุมกันที่ไหนพอกล่าวกันที่ไหนในชุ่มชนมากๆก็ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแนวความเห็นของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ รู้จักตหาอย่างเดียวขยันในการหาเหมือนกับเราตักน้ํามาใส่ตุ่มที่ก้นรั่วอย่างนั้นอะ่ะเหมือนกับเราสูบยางรถเข้าไปในล้อยางรถอย่างนั้นน่ะสูบเท่าไรก็ยิ่งรั่วสูบเท่าไรก็รั่วออกรั่วออกถึงจะขยันขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเก็บไม่อยู่ไร้คุณค่าอีกต่างหากใจของคนเหมือนกันถ้ามันรั่วใจรั่วแล้วไร้ผุณค่าตุ่มรั่วก็ดีกระมังรั่วก็ดีกระป๋องก้นรั่วก็ดี ล้วนแล้แต่ไร้คุณค่าทั้งหมดเพราะนั้นให้รู้จักหาแล้วก็ต้องให้รู้จักเก็บเนี่ยาว่าเก็บไม่จะรู้จักเก็บจนไม่รู้จักใช้ก็ไม่ถูกอีกพอเก็บมาแล้วก็มิตะเก็บก็เก็บไม่รู้จักแบ่งให้ลูกให้ล้านไม่ไม่รู้จักแบ่งให้พ่อให้แม่ไม่รู้จักให้แบ่งให้ประเทศชาติปานเมืองไม่รู้จักแบ่งให้แกโลกโลกทั้งโลกอ่ไปที่ไหนมีตะกอบมีตะโกยเข้ามาสู่ตัวเองทั้งหมด โลกทั้งนี้มันกรจิจะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะมันเก็บเกินไปไม่รู้จักใช้นีถ้าใช้ก็ใช้อิรูชวยแชร์จนเกินไปใช้จนเกินตัวมันก็ไม่ถูกแปลว่าใช้ไม่ใช้ไมีมีประมาณใช้ไม่มีปัญญาในการใช้เพราะฉะนั้นทั้งสมอย่างต้องใช้ปัญญาซะก่อนในการหาอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปกอบโกยเอาคุณสมบัติคนอื่นมาเบียดบงังอย่าไปเบียดไปบงัง ไปคดไปโกงเอาสมบัติของคนอื่นเขาต้องใช้ปัญญาโดยเป็นธรรมอันนี้แปลว่าเป็นคู่รู้จักหาให้รู้จักเก็บเก็บไว้ที่ไหนเป็นที่ปลอดภัยเก็บไว้ให้ดี <Yeah. S 1> เพื่อรักษาเอาไว้เก็บไว้เพื่ออะไร <Yeah. S 1> เพื่ออนาคตวันพรุ่งนี้มน <Yeah. S 1> เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ใช้ เพราะว่ามันไม่ใช่หมดเพียงวันนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานลูกเมียสามีพัญญาของเราล่ะมันจะต้องได้ใช้เงินก่อนนี้อันนี้ก็เก็บเอาไว้เพื่อเตรียมการใช้จ่ายใ น, ในในการใช้เราการใช้ของเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้ชุรุยชุล่ายไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วก็เหมือนกับ่านไฟตกในฝ่ามือของเราสบัดทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่ถูก คนนั้นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อันนหลวงพ่อก็พูดลักษณะอย่างนี้แต่โยมกฝั่งคนนั้นเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้คนอยู่ข้างๆเขาก็เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังแปลเป็นภาษาไทยให้เขาฟังพอฟังเสร็จแล้วก็มากราบหลวงพอ่อเขาบอกโอ้โหเขาซึ่งในทำคําสอนของหลวงพ่ออย่างมากนะที่หลวงพ่อพูดว่าเนี่ยให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้เนี่ย ซึ้งใจเขาจริงๆแต่คนไทยเขาดูอยู่ที่นั่นก็บอกว่าพวกเรานั่งอยู่ด้ว ย, วยกันฟังตั้งหลายคนไม่ซึ้งเหมือนเหมือนกับฝรั่งที่เขาฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดฝรั่งเขาซึ้งใจมากนะให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ด้วยปัญญาเนะี่นี่แหละเอออันนี้ว่าทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วผู้ที่มีปัญญา เขาจะรับได้ทันทีหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะว่าไปแล้วตระกูลนั้นมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสีไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บุรณะพัสดุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นให้เป็นเจ้าของสมบัติเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าทูตพูดมาตั้งสองพันกว่าปีนะยังทันสมัยเพราะนั้นพวกเราทุกท่าน呐นะ อให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเอวิญญาณของพวกเรานันนันนะยังจะต้องไปเกิดอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านไม่สงวนลึกกระสิทธิ์ใครอยากพิสูจน์อย่างพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ก็ได้ทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอน เราจะรู้ได้ว่าตายแล้วอันไหนตายอันไหนเกิดเพราะฉะนั้นให้พวกเราพิสูจน์ดูนะอย่าไปเชื่อทีเดียวอย่าปิดถุงปิดตาทีเดียวเพราะพุท ธ, ธาศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดท่านไม่ให้สอนให้เชื่ออย่างเดียวไม่ให้สอนให้ปิดหูงปิดตาอย่างเดียวถ้าเชื่ออย่างเดียวเขางโง่ประเภทหนึ่งถ้าปิดถุงปิดตาเขาก็งโง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องพิสูจน์ ต้องปฏิบัติตามแนวแถวนั้นอันนี้ท่านก็บอกว่าจากนั้นเขามากราบหลวงพ่อเขาก็บอกเออฝรั่งคนนี้น่ะเป็นผู้มีมีน้ำใจช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนสร้างโรงเรียนหลายหลังนะในเมืองไทยและแต่ช่วยเครื่องมือแพทย์ที่หลวงพ่อว่านี่หลวงพ่อจะช่วยโรงเรียนช่วยเครื่องมือแพทย์เขาพอใจคนะนั้นนี่แหละหลวงพ่อว่า เศรษฐีในเมืองไทยของเรามาย้อนถึงเศรษฐีผู้มีอันจะกินในเมืองไทยเราโดยมากมีตะกอบโกยกันเสียเป็นส่วนใหญ่ที่จะเสียสละตระกูลของเราน่าจะสร้างโรงเรียนไว้ที่นู่นที่นั่นปีละหนึ่งหลังอย่างเนี้ยเรียกว่าเครื่องมือแพทย์อย่างเนี้ ย, ยควรจะช่วยโรงพยาบาลไหนบ้างถึงยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนช่วยสาธารณประโยชน์ถ้าทุกคนคิด อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่นะประเทศชาติชาติไทยของเราก็คงจะเจริญมากกว่านี้แต่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นพอตัวเองกอบกลวยเสร็จแล้วยังเผื่อลูกเผื่อล้านอีกเผื่อล้านยังมาแล้วเผื่อเหรนอีกพอตัวเองตายไปแล้วลูกหลานเหรนทั้งหลายถลุงเงินเล่นแท้นี่เอตัวเองตายเป็นเนเทวดาอารักษ์หรือตายเป็นเปรดเป็นผีแต่ไรก็ร้องห h o ร้องไห้แล้วว่าลูกหลานไม่รู้จักคุณค่า ตัวเองหาเงินมาแทบล้มแทบตายเก็บไว้ให้เขาใช้แต่พอเขามาใช้ไม่รู้ใช้อะไรก็ไม่รู้ใช้ลุยชุยแชกอใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพลอเพลยังใช้เป็นบาปเป็นกรรมย้อนไปหาผู้หาให้อีกนะนั่นแหละอันนี้แปลว่าเราเก็บแบบโง่ๆถ้าเก็บแบบฉลาดก็ต้องรู้จักแบ่งในการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะ ตลาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีเท่าไหรหลวงพ่อก็ยังรู้จักแบ่งนะไม่ได้อวดไม่ไดคุยแบบ ง, งั้นแต่เอ้อย่างเมื่อคราวที่แล้วหลวงตาท่านไปที่โรงพยาบาลอำเภอบึงการและท่านบอกว่าวันนี้เขาขอเครื่องกระตุกหัวใจกับเราราคาสองแสนกว่าบาทหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อก็เลยถวายองค์หลวงตานะแม่ถวายองค์หลวงต า, นะแาอตาแต่ไม่พอไม่พอเครื่องกระตุกหัวใจ พนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนอนุมโมทนานะหลวงพ่อพูดให้ฟังนะี่ไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะเป็นสมบัติของวัดวัดศาสนาที่เขาถวายมาผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทําบุญให้พวกเราเนี่ยนะนะลูกหลานทุกคนญาติโยมทุกท่านพระเนนทุกองค์อนุมโมทนาสาธุในการทําบุญแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ไปโอนสตางค์ให้แก่วัดสําขามทายาวที่ท่านจะสร้างบรรจุ อธิของหลวงปู่แนนแล้วก็ขั้นบุกขั้นบนชั้นบนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็โอนหลวงพ่อก็เดยเป็นปัจจัยของทางวัดนู่นแหะแต่มาฝากไว้กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้โอนไปให้ที่หลวงตาท่านไปเป็นประธานวางศิลาเลิกเมื่อสองสามปีให้หลังไแต่นี่ยคือสร้างลงมาเรื่อยๆหลวงพ่อว่าเห็นว่าปัจจัยของวัดหลวงปู่แนนที่ว่าเจดีเนี่ยร่อยหลออ่อเหมือนกัน หลวงพ่อก็ได้ออบอกได้เอาปัจจัยของวัดเราเนี่ยน่ะโอนให้อีกเพื่อไปสร้างเจดีย์ช่วยสมทบสร้างเจดีย์หลวงปู่แนนเพราะนั้นพวกเราทุกองค์นัพระเนนรตลอดถึงญาติโยมทุกท่านนะญาติโยมพวกเราทุกคนอนุมโมทนาสาธุนะในจิตในใจเพหลวงพ่อไม่ได้เก็บนะปัจจัยมีแต่ช่วยช่วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนสังคมต่อวัดวาศาสานาต่อเครื่องมือแพทย์ต่อโรงร่าโรงเรียนเนี่ยแหละลงพวจท่าพาาวจทุกคนเศรษฐีในเมืองไทยผู้มีอันจะกินนะไม่เดือดร้อนลงพ่อว่าน่าจะช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์คนในชาติสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงพยาบาลบ้างสร้างสาธารณาประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติของเราคงจะน่าอยู่มากกว่านี้แต่ถ้าพวจพวกเราไม่ ช่วยกันกอบโกยโกงจนเกินไปนะอันนี้แหละไม่รู้จะ ก, กอบโกยโกงไปทำไมชีวิตของพวกเราก็ไม่ถึงร้อยปีต่างคนก็ต่างไปแล้วควรจะช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นบุญกุศลที่พวกเราทำดีแล้วเมื่อตายไปแล้วคนอยู่เบื้องหลังก็ยังยกย่องเชิดชูบูชานะใจของเราออกจากร่างไปแล้วใจของเราก็เบิกบานเพราะ่เราได้ สั่งสมคุณงามความดีไว้แล้วไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็ได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีแล้วด้วยอนิสงทานศินจะไปที่ไหนมันก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะอันิสงทานคุ้มครองอันิสงสินคุ้มครองอันิสง์ภาวนาคุ้มครองคุ้มครองใจของพวกเรานั่นแหละ เพราะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยญาติโยมทุกท่านเนะ้่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างน้อยเราไม่มีเงินเราก็รักษาศีลสิไม่มีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สินั่งภาวนาให้มากมากค่ะนี่แหละร้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทานอย่างเดียวเป็นบุญนะไม่ใช่รักษาศีลก็ใช่นั่งภาวนาก็ใช่ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่ปฏิบัติพ่อแม่ก็ใช่อไปยกมือไวหว้ท่านตักน้าให้ท่าน ดูแลเสื้อผ้าของท่านเหล่านี้ล้วนแต่จะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราพวกนั้นการสั่งสมบุญงามความดีนำความสุขมาให้การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ตรงกันข้ามกับการสั่งสมบาปการกระทำบาปการสั่งสมบาปนำความทุกข์มาให้เพราะนั้นในพวกเราให้สั่งสมบุญหน้าเนี่นะ สาธารณกิจของหลวงพ่อที่ได้พูดได้กล่าวมาพอประมวลได้อย่างนั้นถึงจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่มีน้ําใจเอการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ชาตินาหน้าบูชาน้ําใจถ้าคนมีแต่กอบโวยมีแต่ขิดแต่นิทีเหนียวหลวงพ่อว่าไม่ดีนะหลวงพ่อว่าไม่ดีอืมควรจะช่วยกันสงเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าว่ามีน้ําใจต่อกันแล้วนั่นแหะความสงบพร่มเย็นเป็นถุก ก็จะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเตือนไม่อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะวันนี้ก็เป็นวันพระหลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแนวความคิดอย่างหนึง่งในวันนี้อตอนนี้ไปรับพรถึงอนุโมทนาให้พร